วันนี้ก็สนทนากับหลวงพ่อเพื่อการตื่นรู้เพื่อการตื่นรู้ตื่นรู้ภายในการตื่นกลับเข้ามาเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นจิตโดยเฉพาะการเห็นเห็นเห็นจิตเห็นจิตคือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจตรงนี้มันเป็นเป็นมรรคเลยนะเป็นทางทางที่ทางตรงที่จะพ้นจาก กิเลสตหาอุปทานได้เลยนะแต่ว่าเวลาเราใช้ในการสื่อสารเรามักจะใช้คําว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแต่จริงๆความรู้สึกตัวมันก็รู้รวมนั่นแหละทั้งกายทั้งจิตนะตื่นรู้ขึ้นมากลับมารู้กลับมารู้ที่ตัวที่กายที่ใจมันมันก็แปลกเนาะมันเหมือนกับว่าทําไมเอ่อการที่ตื่นรู้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้มันเป็น ไม่น่าเชื่อว่าไปแล้วไม่น่าเชื่อคนที่ไม่ยังไม่ฝึกนะหรือฝึกแล้วเนี่ยบางทีมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะที่จะเข้าใจได้ว่าการรู้สึกตัวนี้คือมันเป็นจุดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ถึงที่สุดเลยแล้วมันมันพกมนมันพ้พ้นทุกได้จริงเพราะว่าเรื่องการรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นแค่ขนาดจิตเดียวเท่านั้นแหละ เป็นแค่ขนาจิตเดียวรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยคือขนาจิตเดียวแล้วมันจะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแล้วก็แค่ปัจจุบันจึ๊กเดียวเนี่ยแล้วมันก็ตกไปในอดีตแล้วมันก็เป็นปัจจุบันครั้งใหม่จิ๊กเดียวจิ๊กเดียวใช่ <c oughs> ตรงนี้มันถึงว่าเมื่อมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องที่ต้องมามาเป็นทุกข์อะไรช <c oughs> ่โอ้สุดยอด <c oughs> <c oughs> พวกเราหลายคนเนี่ยจริงๆมันก็มีประสบการณ์แต่ว่าเพียงแต่ว่าประสบการณ์บางอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนาะเพียงแต่ว่าเธออะไรเขาเรียกว่าตัวสติตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันมันไม่ไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างว่าเออเมื่อเกิดอะไรขึ้นในขณะปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็จะเอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเดี๋ยวหลก็จะใช้คําว่าอะไร เดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างจะได้เผื่อจะมีมุมมองแล้วก็โยมอาจจะเค ย, ยมีประสบการณ์เนาะเพราะว่าธรรมะเนี่ยสัมปะธรรมะเนี่ยสภาวะธรรมต่างๆเนี่ย ม, มันมีอยู่แล้วในทุกคนแหละมันไม่ได้ว่าเกินมาจากไหน ม, มีอยู่แล้วในทุกคนเพียงแต่ว่ามันยังไม่เห็นหรือว่าไม่เกิดการฉเฉลียวใจนะครับหลวงพ่อยกตัวอย่างไอ้เหยียบเปลือกกล้วยอะกล้วเยเนี่พอเหยียบเนาะโยมลองนึกภาพดูสิมัน มันเหมือนกับมันลื่นมันถล่าเนี่ยมันมันปื้ดไปเลยอะนะอยู่เปือกกล้วยหรืออะไรก็ตามที่เราเคยเดินบนถนนลื่นก็ดีบนพื้นที่เดินหรือว่าในบ้านนอกบ้านอะไรแล้วแต่ที่มันมีลักษณะคล้ายๆมันลื่น่ะพอลื่นแล้มันทําให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อ น, น่ะเคลื่อนไหวเนาะปื๊ดไปเลยเนี้ยหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่าก่อนก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี้ยบางทีคนเราอาจจะใจลอยเนาะอาจจะเดินมือใจลอย หรือว่ากำลังกลุ้มอกกลุ้มใจคิดมากแบบมันอยู่ในภาวะที่เป็นทุกข์บ้างเมื่อเพลินบ้างแต่พอมันมีเหตุการ์อย่างการลื่นแบบนี้มันเป็นอันตโนมัติเลยเป็นออโต้เลยคือมันจะเกิดกลับนะเพระว่าความรู้สึกตัวคือมันกลับมารู้ที่กายเนาะมันกลับมารู้ตัวน่ะเออ มันกลับมาแบบออโต้มากเลยไม่ได้เจตนาไม่ได้จงใจนะพอมันกลับมารู้ตัวตัวอะไรก็ตัวที่เคลื่อนไหวนั่นแหละมันรู้พอรู้เนี่ยภาพสติไว้นะมันจะเห็นถึงอะไรดับไป <c oughs> เช่นมันจะรู้ว่าความคิดก่อนหน้าจะลื่นที่เคยมีมันก็ขาดลงคือมันดับไปเลยความทุกข์ความกลุ้มอกกลุ้มใจ ตอนก่อนหน้าที่จะลื่นนะมันมีอยู่นะแต่ไม่รู้ตัวตอนนั้นไม่รู้แต่พอร่างกายมันเคลื่อนมันเสียหลักมันเสพปั๊บมันจะเห็นเลยว่าความคิดทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายดับสนิทเลยในขณะจิตนั้นแหละดับสนิทตรงเนี้หลวงพ่อก็ชี้เห็นว่าไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันเปลี่ยนจากความหลงมาเป็นความรู้อ่ะเออหลงก็คือหลงคิดหลงเมอเผลอเผลหลงเข้าไปในความทุกข์ไม่รู้ตัวหรอกว่าหลง แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ร่างกายเคยเลื่อนไหวอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนะโอโหมันกลับมารู้ตัวอย่างอัตโนมัติแล้วก็เห็น <c oughs> เห็นเลยว่าความทุกข์ดับสนิทไม่มีเหลือความปรุงแต่งดับสนิทความ <c oughs> เม่อเอเพลินดับหมดกิเลส ต, ตัณหา ด, ดับหมดในขณะดจิตตรงนั้นเนะี่ย <c oughs> ตรงนี้แหละมันให้ความรู้สึกว่านะมันให้ความรู้กับหลวงพ่อมากเลยในะจากประสบการณ์ที่เห็นอย่างเนี้ยเ <c oughs> ลยเข้าใจเลยว่าไอความรู้สึกตัวแค่ตี๋เดียวแค่นั้นเนะี่ยมันสามารถ โอโหมันพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นได้เลยอ่ะมนทุกเลยอ่ะ <c oughs> มัน <c oughs> ทีนี้อ่ฟักเราเนี่ยยอมเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็เคยเห็นไหม <c oughs> หรือว่าตอนที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยมันนึกออกไหมอ่ะเออว่าเออมันใช่เ น, ะนาะขณะที่เหมือเผลอเผลไม่รู้ตัวแต่พอมันเกิดมีเหตุปัจจัยบางอย่างทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวทําให้เกิดอะไรกับตัวเราเนี่ยมัน ทำให้รู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็ทําให้อา่าคอเรียกว่าหลุดพ้นจากความหลงความทุกข์ความปรุงแต่งทั้งทุกอย่างเลยในขณะจิตที่มันสั้นเซี่ยวนิดเดียวแค่เนี้ยค่ะก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอความรู้ตัวนี่นะมันมีมีคุณค่ามหาศาลเลยที่จะทําให้พ้นทุกได้ในปัจจุบนันขณะค่ะค่ะของโยมก็มีค่ะเช่นเออก็ในชีวชิตประจําวันเนี่ยนะคะอย่างเช่ชนเราปลอก ปอกผลไม้อยู่นะคะปอกเปิดผลไม้อยู่นะคะบางทีก็เพลินนะคะความคิดจะคิดไปอะไรมากมายนะคะแล้วพอดีผลไม้ลื่นหลุดมือะค่ะนะลื่นไปนะกลับมา ท, ทันทีเร็วมากค่ะคล้ายๆกับเหยียบเปิดกล้วยนะคะลื่นจะต้องรีบคว้าค่ะใช่ไหมคะสองมือก็ต้องรีบคว้าไว้มันไม่ให้มันลื่นไปนะคะกลับมาที่เนี่ยมือเราทํางานอัตโนมัติเช่นกันนะคะเราก็ลืมไปด้วยซ้ำไปค่ะว่าเมื่อกี้คิดอะไรไปอ่ะ คิดเรื่องใหม่ละเปลี่ยนเรื่องตรงนี้มันก็ชี้ให้เห็นว่าสภาพธรรมะเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นเองหมดแล้วก็ความการเปลี่ยนหรือว่าความดับไปเนี่ยมันเร็วมากมันเร็วคือทุกขณะจิตเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนาะอย่างที่ไอ้โน้ยเล่าก็เหมือนกันนะว่าพอผลไม้หลุดมือปั๊บ มันก็รับรู้แล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรจริงๆมันเยอะแยะไปหมดแต่มันเร็วมันเร็วมันเร็วเร็วมากตรงเนี้ยที่ตัวที่จะรู้เห็นทันก็คือเหมือนกับว่าสตินั่นแหละเนาะสติคืถ้ามีสติอยู่บ้างเนี่ยมันก็จะรับรู้รับทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรดับไปมีอะไรหมดไปแต่ขณะนั้นมันไม่ได้มีภาษาพูดหรอกมันเป็นแค่ว่าเออ เหตุการ์เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมีความจำได้แล้วก็เอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังนะแต่ความจริงอ่ะมันไม่ได้มีอยู่แล้วไม่มีอยู่จริงคือมันหมดไปแล้วแต่แค่จำได้แล้วเอามาเล่าในปัจจุบันขณะที่เล่าในปัจจุบันมันก็หมดไปเรื่อยๆเหมือนกันเล่าไปหมดไปเล่าไปหมดไปเพราะ <c oughs> นั้นมันมันจึงไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่ที่ตั้งอยู่ได้เลยอ่ะมันมีแต่ความหมดไปหมดไปหมดไป ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องความหมดไปแล้วนะเราจะรู้เลยว่าชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ตั้งอยู่จริง่ะมันไม่ได้ตั้งอยู่จริงทีนี้ว่าไปแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นชีวิตแล้วเนะี่ยเพราะว่า ม, มันมีแล้วหมดมีแล้วหมดแต่เพียงแต่ ว, ว่ามันต่อเนื่องเป็นสันตติเนะาะก็ดูเหมือนว่าทําไมเรายังไม่ตายเราอยู่ตลอดมัน <c oughs> ก็ไม่เห็นความความดับของมันไง <c oughs> ก็เหมือนกับว่ายังยั่งยืนอยู่ ตอนนี้อายุสี่ห้าสิบก็ยังไม่เคยตายเนาะแต่จริงๆอะ่ะสภาวะธรรมอมันโหตายไม่หมดเกิดดับเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่แล้ว<ะ>ที่หลวงพ่องเงียบไปก็เหมือนกับถ้าถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานเนาะสมมติว่ามามาร่วมฟังเฉยๆคือไม่ได้ทำงานอะไระตรงที่เงียบตรงเนี้ยถ้าสังเกตนะอย่างน้อยก็รู้แหละว่าเออเงียบ <laughs> ใช่ไหม สังเกตคือหูหูไม่ได้ยินคนพูดเนาะแต่มันก็ได้ยินเสียงอื่นๆก็ได้ที่อยู่รอบตัวรวมถึงอาจจะได้ยินสิ่งที่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในร่างกายหรือว่าในจิตใจอย่างการอย่างการเคลื่อนไหวในร่างกายนะก็คืออย่างเช่นพวกชีพจรหัวใจเต้นหรืออาจจะมีอะไรกล้ามเนื้อกระตุกหรืออ ะ, อะไรก็แล้วแต่หรือว่าตัวเองนั่งขยับอยู่นีมันก็จะรับรู้ถึงถึงกาย ว่า อ, อ๋อในส่วนของกายเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรหยุดนิ่งแบบเทียงแท้มันก็จะมีการเคลื่อนไหวมีการขยับอยู่ตลอดเวลาเลยนะตรงเนี้ถ้าถ้ามีสติก็จะทําให้เห็นธรรมชาติของกายว่าเออธรรมชาติของกายมันก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวนั่นแหละคือมันเปลี่ยนสภาพหนึ่งมาเป็นอีกสภาพหนึ่งเปลี่ยนสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งคือมันไหลไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย เนี่ยเหล่านี้ก็จะเห็นธรรมชาติของกายว่ากายก็มีความไม่เที่ยงเนาะเออเราก็ต้องมองเพื่อให้เกิดปัญญาว่าร่างกายเนี่ยมีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาอย่างลมหายใจอย่างเนี้ยอืลมหายใจก็ไม่เที่ยงก็คือเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดเนี่ยคนที่ฝึกอานาปนสติเนี่ยก็ต้องต้องมหัดดูสังเกตเขาเรียกว่ามาหัดหัดรู้ลมนะ ว่าลมเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าหัดรู้กายหัดรู้ลมแต่ทีนี้เราเพียงแต่หัดรู้ลมอย่างเดียวไม่ได้นั้นเขาเรียกว่าต่อไปก็ต้องต่อยอดคือพัฒนาหมายความว่าอย่าแต่รู้ลมอย่างเดียวระหว่างที่รู้ลมเนี่ยมันต้องมีอาการอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาในกายได้เหมือนกันแล้วก็ให้รับรู้รับทราบแล้วก็แค่รับรู้รับทราบนันแหละแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอ้าก็ต่อมาก็หัดรู้จิต ระหว่างที่รู้ลมนี่แหละมันก็สามารถรู้จิตได้จิตคิดจิตจิตโลภจิตอยากได้อยากโลภเช่นจิตอยากได้สมาธิอยากจะถึงขั้นนู้นขั้นนี้นี่คือความอยากเนาะอยากได้นั่นอยากได้นี่เออ ก, ก็สังเกตให้ทั่วถึงไปว่าเออนอกจากรู้ลมแล้วสามารถรู้เวทนาในกายสามารถรูออ้จิตที่มีอารมณ์แบบไหนล่ะแบบไหนก็ได้เป็น ความคิดเป็นความรู้สึกเป็นความม่ง่งเป็นความลังเลสงสัยเป็นวิกฤติอะไรก็แล้วแต่ก็สังเกตมันไปทีนี้อันนี้ในขั้นนี้เขาจะเรียกว่าขั้นที่จะกำลังเรียนศึกษาธรรมชาติของกายของใจเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งจิตทั้งทงเวทนาทั้งอะไรต่างๆมันก็ไปเปลี่ยนหมดเลยไม่มีอะไรอยู่นิ่งสําอย่างเดียว การที่เห็นแบบนี้ก็จะกล่าว่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นความเป็นจริงของกายของใจแล้วแต่ทีนี้ในขั้นสูงกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องเห็นผู้รู้ด้วยนู่นเพราะตอนแรกไอ้พวกนี้เนาะมันเป็นสิ่งถูกรู้นี่พวกลมพวกกายพวกความรู้สึกพวกจิตคิดพวกนี้เป็นอารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยแต่ขั้นยอดกว่านั้นก็คือต้องรู้จักผู้รู้ด้วย<ะ>เพราะทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นนะ่ะ ไอตัวสิ่งที่ปรากฏมันไม่รู้เรื่องนะแต่มันมธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้เรื่องก็คือธรรมชาติรู้แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยมันก็มี2อระดับก็คืออันนี้เป็นคำเป็นคำสมมตินะสองระดับในจริงๆอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ว่าหลวงพ่อก็พูดง่ายๆก็คือสองระดับระดับหนึ่งเป็นความรู้ที่ปรุงแต่งคือรู้อะไรแล้วยังยังอธิบายได้ยังพูดได้ยังเอามาเล่าให้คนอื่นฟังได้ รู้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรู้ปลอมเป็นรู้ที่ยังไม่จริงแท้ยังไม่ใช่รู้แท้เพราะเหตุว่ารู้แล้วยังปรุงแต่งรู้แล้วมาปรุงแต่งเช่นห ล, ลนวงพ่อหลวงพ่อสมควรรู้เช่นตัวนั่งกาหนดลมหายใจเนะรู้ลมหายใจอยู่แล้วก็ลมเข้าลมออกก็รู้ก็รู้แล้วไหนระหว่างที่รู้ว่าลมเข้าลมออกเนี่ยมันก็จะมีการวิพากวิจาร์คือรู้แล้วออกมาพูด มันพูดอย่างไงก็มันพูดว่าอ๋อลมนี่ไม่เที่ยงเนาะลมนี่มีเข้ามีออกอ่านึกเอาไว้เนี่ยคือรู้แล้วเอามาพูดแบบนี้รู้แล้วเขาเรียกว่ารู้ที่ปรุงแต่งแล้วก็หรือว่านั่งทาไปทามารู้ว่าอ๋อตอนนี้มีความสุขมีความสงบมากคือรู้แล้วแต่มันไม่ได้อยุ่แค่รู้คือรู้แล้วเนี่ยต้องเอามาพูดมาอธิบายคนเดียว นั่งพูดอยู่ในใจคนเดียวว่าโอ้สงบมากเลยมีความสุขมากเลยมีความสุขอย่างเนี้ยเรียกว่ารู้แล้วเอามาพูดเอามาบอกคือมันเป็นธรรมชาตินะไอรู้ชนิดเนี้ยรู้อะไรแล้วก็มาพูดมาละเหมือนพวกเราเนี่ยเนี่ยที่มาเข้าวกลุ่มเนี้ยรู้อะไรมาก็เอามาเล่ามาพูดอย่างเนี้ยยังยังไม่ใช่รู้แท้ยังไม่ใช่รู้จริงเพราะว่ายัางยังพูดได้ยังปรุมแต่งได้ แต่มันมีอีกรู้หนึ่งเป็นรู้ที่รู้แท้รู้จริงคือรู้แล้วไม่พูดไม่ไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยเราเรียกว่ารู้แล้วนิ่งเป็นใบ่ะนีนิ่งเป็นใบไอ้รู้นั้นแหละเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์นะเป็นความรู้ที่เรียกว่ารู้อย่างพุทธคือรู้ที่ไม่ปรุงแต่งนะสักแต่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวพูดไม่ได้ถ้าพูดได้เมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่รู้มันไม่ใช่รู้แท้ ถ้าพูดได้เมื่ อ, อไหร่มันเป็นรู้ปลอมทันทีแต่รู้แท้ได้แต่รู้อย่างเดียวไม่ได้อธิบายให้อะไรเลยนซึ่งมันมีอยู่แล้วทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดมานี่นะมีอยู่แล้วทั้งหมดเพียงแต่ว่าอืมให้ฟังฟังไปแล้วก็ไปพิจารณาไปว่าอันไหนรู้แท้อันไหนรู้ปลอมไม่ยากแล้วรู้ปลอมคือรู้แล้วเอามาเล่าเอามาพูดแอะปลอมหมดเนี่ยนี่ยหลวงพ่อที่รู้อะไรมาแล้วมาเล่าให้ญาติโยมฟังเนี่ยอันนี้ปลอมนะเนี่ยรู้มันพูดได้ <laughs> แต่มันรู้ที่ไม่พูดเนะมันอยู่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันรู้อยู่มันเห็นอยู่มันรู้แจ้งอยู่ว่าไอ้ตัวรู้ปลอมเนี่ยพูดใหญ่เลยแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าพูดใหญ่เลยนะมันพูดไม่ได้ไงมันได้แต่รู้แต่รู้เพราะการที่มีปัญญาที่จะแยกแยะว่าอะไรรู้ปลอมอะไรรู้จริงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เข้าใจเรื่องทุกข์กับความไม่เป็นทุกข์ จะรู้จักเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ปรอมคือเขาเรียกว่ายังเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นชื่อว่าสังขารย่อมมีความไม่เที่ยงนะย่อมมีความเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์คือทนสภาพเดิมไม่ได้มันถูกบิบคั้นทำให้แก่เจ็บตายไปทำให้เปลี่ยนสภาพไปแล้วก็ มันก็เป็นอนัตนตาก็คือมีลักษณะสามอย่างนะ ร, รูปลอมเนี่ยก็คือเป็นทั้งสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แล้วก็เป็นธรรมะเ ป, เป็นสภาพธรรมะที่มีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วก็สิ่งที่เด่นชัดมากที่สุดคือรูปลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏนะเป็นสิ่งที่ปรากฏส่วนรู้แท้รู้จริงนะอันเนี้ย เป็นธรรมะเหมือนกันแต่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏลักษณะของความเป็นอนิจจังทุกขงังแต่มันก็จะเรียกว่าเป็นอนัตตก็ได้เพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตน ม, ม, <c oughs> มันต่างกันตรงนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์ก็หมายความว่ า, วาไอ้รูปรอมนี่แหละนั่นแหละมันมีทุกข์ในตัวของมันนะ มันรู้แล้วก็มันมีทุกข์คือต้องแตกต้องดับไปแต่รู้แท้เป็นความไม่ปรากฏจึงไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรเลยรู้แท้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะจะเรียกว่ามีจะจะถามว่ามีสุขไหมในรู้แท้ก็มันไม่ปรากฏว่าเป็นสุขจะถามว่ามีทุกข์ไหมก็มันไม่ปรากฏว่ามันเป็นทุกข์จะถามว่ามันรู้สึกนิ่งนิ่งไหมก็มันเป็นความไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอาการนิ่งนิ่ง มันเฉยๆไหมเอ้าเมื่อมันไม่ปรากฏมันก็จะบอกว่าเฉยๆก็ไม่ได้วันนั้นเนี่ยเมื่อไม่ปรากฏก็คือมันไม่ปรากฏอะไรเลยได้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏแค่นั้นเองก็ผมปกติผมปฏิบัติสายยุบหนองห้องหนองมาครับแต่เพิ่งเพิ่งได้มาคุยกับพระอาจารย์เนี่ยครับก็เลยเข้าใจว่าตัวรู้มันเป็นยังไงไงครับก็ดีๆนะเนี่ยใส่หองผมก็ ผมก็เป็นถ้าถ้าถ้านะผมเป็นตัวอย่างก็คือเหมือนผมก็เดินมาหลายปีนะครับเดินเดินจงกรมมาหลายปีแต่ก็ไม่คือก็เดินเหมือนว่ามันก็เป็นประสบการณ์ือบว่าเดินเหมือนเหมือนเดินเดินไปแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรครับแต่พอวันหนึ่งมาอาจารย์บอกเรื่องตัวรู้มันก็เริ่มเฉลยครับว่าขอบความจริงมันก็เหมือนแบบว่าในความคิดของผมนะครับ คือเหมือนบางบางวันเราก็มีความรู้สึกที่แบบว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมมันไม่โอเคครับเอ๊ความรู้สึกไม่โอเคนี่มันมาจากไหนแต่เมื่อก่อนน่ะไม่ไม่รู้ว่ามันจะมันก็แลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับได้แน่นอนค่ะมันแบบว่าไอไอตัวรู้เนี่ยอย่างบางวันเราตื่นมาเรารู้สึกมันไม่โอเคแต่มันก็เป็นของมันเองอน่ยเรากไม่รู้ว่ามันมันมาจากไหนครับแต่บางวันเราก็รู้ว่ามันโอเคไงเหมือนขับรถไปครับผมก็บางครั้งผมก็เห็นนะว่าเออมันก็ไปคิดถึงบ้านเนาะ ก็ไม่รู้ว่าไอตัวที่มันรู้เนี่มันคือตัวรู้ครับ เ, เราก็มันก็แยกไม่ออกครับแต่พอมาได้ฟังที่พระอาจารย์บอกว่ า, วาอ๋อไอ้นี่มันคือตัวรู้นะครับนี่ครับมันก็เริ่มแบบเหมือนประมวลผลนะว่าพ่อแม่เนี่ยครับพ่บอผมนะครับมันก็เหมือนว่ามันทําอะไรเหมือนบางทีมันก็รู้เองบ้างอะไรเงี้ยครับบางครั้งมันก็หลงๆรู้ๆไปในนั้นนะผมก็เหมือนว่าก็ยังใหม่อยู่ครับก็เลย ครับ oh, แค่ไ ด, ได้สังเกตไหมครับาสาธ <laughs> ุก็ขอบขอบคุณพระอาจารย์นะที่ที่ที่เมตตาชี้แนะให้ผมว่าอ๋ออันนี้มันคือตัวรู้ไงครับครับเออทั้งนั้นเดี๋ยวมาแชร์เนาะว่าหลวงพ่ออธิบายโยมอย่างไงแล้วทําไมโยมเข้าใจได้เออคือเมื่อก่อนโยมอาจจะไม่รู้จักตัวรู้แล้วก็อาจจะไม่รู้จักเลยแล้วหลวงพ่ออธิบายยังไงยกตัวอย่างอะไรแล้วโยมถึงได้เก็ตแล้วก็แบบ เข้าใจโดนใจอ่ะเออโยออมยอจารอครับใช่ครับหลวงพ่อท่านพูดเรื่องต้นไม้ครับคือท่านหลวงพ่อว่าต้นไม้มันมีอยู่ใช่ไหมครับและไอตัวที่เราเข้าไปมองมันน่ะก็คือมันก็มีอยู่จริงแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่เรารู้ว่ามันมองเนี่ยครับเนี่ยครับไอไอตัวสภาวะรู้ที่เข้าเข้าไปมองเนี่ยก็คือที่สิ่งที่พระอาจารย์บอกผมทําผมเข้าใจว่าอ๋อไอรู้ว่ามันมองนี่แหละมันหลุดครับพระอาจารย์ แต่มันมันมันก็หลุดหลุดหลุดโท้ว่ามันจะเป็นกระบวนการเลยครับอาจารย์เราเรามีต้นไม้ก่อนครับพอเราเห็นแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ว่าไปเห็นว่าเราเห็นเนียครับเนี่ยผมมาเข้าใจกระบวนการตรงนี้ครับก็เลยเนี่ยครับก็เริ่มเริ่มเป็นความเข้าใจมาว่าอ๋อมันเห็นอย่างเงี้ยครับก็มาเรื่อยๆยครับประกอบกับเมื่อก่อนผมเคยฟังหลวงพ่อคำเสียนกับอาจารย์กําพลมาก่อนด้วยครับแล้วก็ เนี่ยครับก็เลยมาประมวลประมวลผลไปเนาะอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็ลองลองสังเกตมันไปเรื่อยๆไงครับครับอาจารย์ครับฮัลโหลครับเอออาเดี๋ยวเราก็จะพูดซ้มอีกทีนึงอันนี้เป็นการแค่ยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งน่นะเพื่อทำให้รู้จักธรรมชาติที่รู้ตัวเรา แต่โอกาสต่างๆจริงๆมันมีมากมายหรอกที่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ย ม, มันมีอยู่ตลอดตลอดเวลามันจะรู้ตัวเราอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักแต่เรื่องนี้ก็มีหลายคนไม่รู้จักหลวงพ่อก็ชอบยกตัวอย่างจากการที่เช่นสมมุติว่าเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนละ่ะสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านหรือว่าเราเอาเอาตัวอย่างสักอันหนึ่งเนาะสมมุติว่ารเรานั่งนอกบ้านนะแล้วก็กําลังมองต้นไม้อยู่ด้านหน้า ทีนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นว่าเห็นไหมต้นไม้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละนะแต่ว่าผู้มองต้นไม้เนี่ยคือเรานะเราเป็นผู้ผู้มองต้นไม้ทีนี้พอเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ชี้ให้เห็นอสองสองสิ่งหนึ่งคือต้นไม้สองตัวเราที่เป็นผู้มองต้นไม้คนส่วนมากก็คือจะรู้จักประมาณนี้แหละคือรู้จักต้นไม้กับรู้จักตัวเราแต่ความลึก นะความลึกๆเนี่ยจะไม่รู้จักผู้รู้ตัวเราเพราะว่าไม่เคยใ่เหลียวใจเลยว่าอ้ออาการที่รู้ว่าเราดูต้นไม้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีผู้รู้แน่นอนถ้าไม่มีผู้รู้จะรู้ได้ไงว่าเราดูต้นไม้อยู่เพราะนั้นผู้รู้เนี่ยที่มารู้เราเนี่ยอันนี้แหละเป็นธรรมชาติรู้ซึ่งไม่ใช่เราเหตุที่ไม่ใช่เรามันก็บอกอยู่แล้วนี่เพราะเราคือคนดูต้นไม้ ไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้เรามันรู้เราทั้งตัวเลยรู้ว่าเรานั่งเราเดินเรายืนอะไรก็แล้วแต่มันรู้เรารู้มันรู้เราหมดเลยพอเป็นอย่างเนี้มันก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไอ้ที่รู้เรานี่แหละมันเป็นมันเป็นรู้จริงก็เรียกว่ามันรู้จริงๆเพราะว่ามันพูดไม่ได้แต่ที่พูดได้เนี่ยเราต่างหากที่พูดได้เราเห็นต้นไม้เราก็พูดได้ว่าเราเห็นต้นไม้ แต่ธรรมาชาติที่รู้เราอ่ะมันอ่ะมันไม่พูดเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีสภาพไม่มีความปรากฏไม่มีอะไรเลยแต่มันก็รู้เราทุกอย่างเราเดินเรานั่งเรา น, านอนมันก็รู้หมดถ้าจับทางตรงนี้ได้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็หัดซ้อมดิหัดซ้อมดูต้นไม้ดูนู่นดูนี่แล้วก็แล้วมันก็จะรู้เราเรื่อยว่าเราเป็นคนดูต้นไม้เราเป็นคนดูนั่นดูนี่อ่าแล้วก็พอตอนหลังก็หัดเดินพอหัดเดินเสร็จมันก็จะรู้ว่าเราเนี่ย เราเนี่ยคือขันห้านี่นะกําลังเดิน<ม>กําลังนั่งกําลังนอนมันก็รู้เราทั่วรู้พร้อมไปเลยรู้แบบรู้แบบธรรมชาติมากทีนี้พอรู้จักนะรู้จักตัวเราและตัวเราหมายถึงว่าไอตัวที่เป็นขันหานะว่าอ๋อตัวเราเนี่ยคือส่วนประกอบของขันนะมีห้าขันแล้วมันก็อยู่ภายใต้กฎของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามัน ตัวเราเนี่ยคือตัวตายตัวเนี้เป็นตัวปลอมเหมือนกันเพราะว่าทําไมปลอมเพราะว่ามันไม่แท้มันมันเกิดแล้วเสื่อมไปเกิดแก่เจ็บตายอ๋อแสดงว่าอันนี้มันไม่เป็นอมตะมันเป็นของปลอมพอเป็นของปลอมเสร็จแล้วมันก็ยึดถือไม่ได้สิเพราะว่ามันมีแล้วหมดไปนะแต่ธรรมชาติรู้เราอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมันเป็นของแท้ของแท้คือมันไม่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างใดได้เลยและมันก็ไม่ปรากฏ เมื่อไม่ปรากฏมันย่อมไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพลาดพลาดไม่ต้องสูญเสียอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นความไม่มีมันมีแต่ความรู้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าการพ้นทุกเนี่ยก็คือแบบนี้คือมีปัญญาสามารถเข้าใจเลยว่าอะไรคือทุก์อะไรที่มันพ้นทุกไอธรรมชาติที่ทุกก็คือตัวเราคือขันหะแต่ธรรมชาติที่พ้นทุก มันเป็นธรรมชาติอีกสิ่งหนึง่งก็คือธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏตัวพอเป็นแค่นี้แหละโยมโยมไม่ต้องไปหาความพ้นทุกข์ที่ไหนแล้วหรอกเพียงแต่ว่าให้รู้ตัวเราอยู่เงี้ยรู้ตัวรู้ตัวแล้วมันก็พ้นทุกทุกข่าวไปที่รู้ตัวเนี่ยมันก็ง่ายสิสิเนี่ยพออย่างโยมเนี่ยโยมก็เข้าใจมากเลยเนาะแต่พอเข้าใจโยมก็เริ่มจับทางได้พอจับทางได้ก็ทีนี้แหละก็ทําให้รู้ตัวเราแบบให้แจ้งอ่ะให้แจ้งก็เรียก ว, ว่า จะนั่งจะเดินจะนอนจะแบบไหนก็แล้วแต่ให้รู้ตัวเราไปเรื่อยแต่ตรงนี้หลวงพ่อบอกรายละเอียดไม่ได้ต้องไปไปเพิ่มเติมต่อยอดไปอะไรเอาเองไปสังเกตรเราเองว่าการรู้ตัวเราเนี่ยมันไปตั้งรู้ไหมหรือว่ามันรู้แบบเออยอย่างธรรมชาติรู้เพราะว่าถ้าไปตั้งรู้เท่ากับว่าไปปรุงแต่งตัวรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ตัวเรามันจะแข็งมันจะหนักมันจะเหนื่อย มันก็อย่างนี้ไม่ใช่รู้แท้แล้วก็เป็นรู้ปลอมอยู่ดีคือปลอมไปเป็นผู้รู้แต่ถ้ารู้แท้รู้จริงเนี่ยมันไม่มีการตั้งรู้ไม่มีการไปปรุงแตง่งไม่มีการทําอะไรเออตรงนี้มันเป็นรายละเอียดซึ่งจะต้องไปไปไปเพิ่มเติมเออไปไปศึกษาไปอะไรดูแต่ถ้าจับทางได้อย่างเนี้ยมันไม่ยากแล้วเพราะว่ารู้จักทั้งทุกแลว้วก็รู้จักความพ้นทุกแล้วเพราะฉะนั้นการพ้นทุกมันไม่ใช่เราพ้นทุกแต่มันพ้นทุกเพราะธรรมชาติที่มันไม่มีทุกขในตัวของมันเอง แล้วมันเป็นธรรมชาตินี้ก็คือรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้ตัวเราตัวเราเป็นทุกข์เนาะเพราะนั้นรู้แท้คือเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ไม่สุขคือพ้นอะ่ะหลุดพ้นอะ่ะเป็นรู้วิมุตส์ะเออหลุดพ้นไปเลยเประมาณนี้แหละสาธุค่ะสาธุกบคุณนอาด้วยค่ะ